ตั้งเป้าเอาชีวิตสงบสุขแค่เลือกกันที่จิตดวงเดียวชีวิตทั้งชีวิตก็สงบสุขได้เพื่อจะเลือกเส้นทางชีวิตได้ง่ายขึ้นลองมองว่าตัวคุณคือจิตและคำถามในชีวิตจะเหลือแสนสั้นจะเอาจิตแบบไหนสงบสุขหรือฟุ้งซ่าน เมื่อระลึกจนขึ้นใจว่าแก่นชีวิตคือจิตคุณจะตัดสินใจผิดได้ยากขึ้นเพราะจะอยากเลือกข้างสงบผาสุขมากกว่าว้าวุ่นสับสนแล้วตั้งคอสังเกตได้ถูกว่ากรรมใดเป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายกรรมนั้นสละทิ้งง่ายดายนักการเลือกข้างความสุขไม่ได้หมายความว่าให้เลือกอยู่นิ่งเฉย ไม่ได้หมายความว่าให้ใจดีไม่เอาโทษใครเลยที่แท้จิตจะสงบสุขได้จริงต้องเรียนรู้ว่าจะขยันทำงานอย่างไรให้เป็นสมาธิมีระเบียบวิธีคิดอย่างไรให้เกิดระบบไม่ใช่เอาแต่เร่งเครื่องให้ร้อนเกินไม่ใช่เอาแต่ทุ่มเทจนอึดอัดเปล่าและจิตจะอ่อนโยนเป็นสุขจริงได้ ก็ต่อเมื่อมีศิลปะในการเอาโทษคนเพื่อให้ตัวเองรู้สึกเมตตาที่ไม่ปล่อยให้คนผิดได้ใจรู้อยู่กับตัวว่าตั้งใจให้เขาสำนึกไม่ใช่คิดเอาคืนให้ใครเจ็บปวดตั้งเป้าเอาคนเหมาะมาร่วมทุกข์ร่วมสุข คนส่วนใหญ่ขาดคู่ไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่ก็เลือกคู่ไม่เป็นเราไม่ทราบจะเอาหลักเกณฑ์อะไรมาชี้บอกจึงมักเลือกผิดแล้วก็ต้องคิดพลาดไม่ฉลาดเลือกอะไรอะไรที่จะตามมาหลังจากนั้นอีกแบบต่อเนื่องไม่รู้จบรู้สิน้นข้าวของหรืออาชีพการงานถ้าเลือกผิดอาจเลือกใหม่แต่คู่ชีวิตนั้นถ้าเลือกผิด เท่ากับเลือกเส้นทางอันเป็นทุกข์ให้ทั้งชีวิตที่เหลือได้จึงต้องระวังและยืดเวลาคบหาดูทุกข์ดูสุขที่เกิดขึ้นให้ดีๆคนบางคนเหมาะให้ร่วมสุขแต่ไม่เหมาะจะร่วมทุกข์สังเกตได้จากที่ยิ้มง่ายเฉพาะเวลาได้อย่างใจแต่ไม่ได้อย่างใจจะหน้านิ้วคิ้วขมวดแบบไม่พร้อมจะเห็นใจใคร มีแต่พร้อมจะเรียกร้องความเห็นใจจากคนอื่นท่าเดียวคนแบบนี้เหมาะที่สุดแค่หวังคบกันหวานๆเติมเต็มความฝันให้ชีวิตช่วงต้นแต่ไม่ควรคิดไกลให้เกิดความคาดหวังหล่มหลมแงแงในระยะยาวเพราะประเภทนี้มักถูกเลี้ยงมาแบบคุณหนูได้รับการเอาอกเอาใจจนเคยตัวต่อให้เขาหรือเธอตั้งใจจริง ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ต้องใช้เวลายาวนานตลอดจนอาศัยกาลังใจจากความรักจริงหวังแต่งมากมายมหาศาลยอมแลกอัตตาตัวเองกับความรักคนบางคนเหมาะให้ร่วมทุกข์แต่ไม่เหมาะจะร่วมสุขสังเกตได้จากความจริงจังเกินธรรมดายอมเสียอะไรก็ได้แต่ไม่ยอมทิ้งญาติมิตร ความจดจ่อจริงจังจริงใจกับคนใกล้ชิดเกินไปอาจถึงขั้นก่อให้เกิดความรู้สึกคล้ายเสือลำบากยิ้มยากในทุกสถานการณ์ห่วงไปทุกเรื่องเข้มงวดขวดขันจนหน้าอึดอัดในนามของความหวังดีซีเรียส ก, กับเรื่องไม่น่าซีเรียส ก, ก็ยังได้คนแบบนี้สมควรให้ความจริงใจช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไปแต่อย่าเผลอมอบใจจริงจัง เพราะประเภทนี้มักโตมาบนเส้นทางจริงจังกับชีวิตจะเอาแต่ไม้บรรทัดถูกผิดของตัวเองอันเดียวจนลืมว่าถูกผิดที่แท้คือการอยู่ด้วยกันได้อย่างสบายใจหรืออึดอัดคนบางคนเหมาะให้ร่วมทุกข์ร่วมสุขสังเกตได้จากการมีสามัญสำนึกแบบคนปกติคือสำนึกที่จะแบ่งปัน ไม่ใช่เอาแต่หวงโลกส่วนตัวไว้สำนึกที่จะสร้างความเรื่นรมขึ้นแทนที่ความเจือชื่นสำนึกที่จะเข้าใจความกดดันของคนอื่นสำนึกที่จะเห็นใจความเดือดร้อนของใครๆตลอดจนสำนึกที่จะสร้างความเคยชินใหม่ให้เข้ากับสิ่งรอบตัวคนแบบนี้มีทั้งเครื่องมือบำบัดทุกในปัจจุบันกับทั้งเครื่องมือบารุงสุขในอนาคต ถ้าเห็นว่าคบกันได้ก็น่าคบที่เหลือคือหันมาสำรวจตนเองว่าเป็นพวกแรกพวกที่สองหรือพวกสุดท้ายตั้งเป้าเอาชนะทุกข์คนเรามีทุกอยู่สองส่วนส่วนแรกคือทุกจริง ส่วนที่สองคือคิดว่าทุกข์เมื่อโดนวัตถุ ก, กระทบให้เจ็บตัวหรือกระทบหูตาให้สะเทือนใจอันนั้นเรียกว่าทุกข์จริงเช่นเสียงด่าทอเข้ามากระทบแก้วหูย่อมก่อให้เกิดความสะเทือนขึ้นที่ใจยังไรก็ต้องโกรธต้องเป็นทุกข์แบบเจ็บใจเป็นธรรมดาโดยเฉพาะถ้าเป็นคำด่าที่แรงหรือคนด่า มีค่าทางใจที่มากพอแต่เสียงกระทบหูนั้นอยู่ไม่นานแผว่ยจางแล้วหายไปฉะนั้นความน่าจะเป็นคือความโกรธความเจ็บใจน่าจะหายไปอย่างรวดเร็วเท่าคนส่วนใหญ่ติดอยู่กับความทุกข์เนิ่นนานกว่านั้นนั่นแสดงว่าพอแก้วหูพ้นจากการโดนเสียงด่ากระทบแล้ว ยังมีอะไรอีกอย่างหนึ่งรักษาความทุกข์เอาไว้ซึ่งสิ่งนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ความคิดถึงไม่มีอะไรกระทบตัวเลยแค่ฝังใจเชื่อว่าตัวเองไร้ค่าเฝ้านึกแต่ว่าตัวเองจะไม่ได้อย่างใจหรือพร่ำราพันว่าตัวเองไร้โชควาสนาเพียงเท่านี้ก็เรียกว่าคิดทุกข์ได้แล้ว สรุปคือช่วงเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตคนเราไม่ได้แย่เพราะทุกจริงแต่แย่เพราะคิดว่าทุกขหากจะตั้งเป้าเอาชนะทุกข์ก็ต้องยกระดับความฉลาดทางการคิดขึ้นไปเป็นความฉลาดทางอารมณ์แล้วเข้าถึงความฉลาดทางจิตกันต่อไป